ใครอยากส่งกันบ้านเชิญเบอร์เก้าสิี่เอาที่สองคนนี้ก่อนนะครับก็ก็ได้เรียนรู้กิเลสมากขึ้นได้จิตมั่นเป็นไงตอนนี้ตอนนี้ตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกมันสว่างสว่างดีไหมเป็นเกินจริงครับ ข, <อ>ของรลิวสบายสบายค่ะตอนนี้ตอนนี้เป็นไงขนาด น, นี้สบายมันสบายสบายค่ะรู้ตัวเต็มที่ยัง ไม่เต็มที่ค่ะไปกดไว้นะมันคือการหัดรู้สภาวะนั่นแหละนะถ้าเราเห็นสภาวะตรงตามความเป็นจริงก็ใช้ได้เราเห็นถูกตัวก็ใช้ได้เพราะในแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากแต่มันมีตัวหลักมีตัวเอกที่บงการพฤติกรรมของเราดังั้นถ้าเรารู้ก็รู้ไอ้ตัวหัวโจกมันแต่ละขณะแต่ละขณะจะมีหัวโจรของมัน ว่าโจรนี้ถ้าแบบอภิธรรมเขาจะเรียกว่าอธิปดีปัจัจอธิปฏิปัจัยตัวซึ่งมันมีกำลังครอบงำตัวอื่นเนั้นเราหัดรู้ถ้าเรารู้ตรงรู้ถูกนะเรารู้ด้วยใจที่เป็นกลางใจเราจะพัฒนาไปถ้าเรารู้ผิดตัวก็ใช้ไม่ได้เช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นขณะนั้นจิตเกลียดความโกรธไม่เห็นว่าจิตกาลังเกลียดความโกรธเห็นแต่ความโกรธนี่ดูผิดตัวละ นะไม่ได้ดูตัวหลักที่กำลังบงการพฤติกรรมใจเรานะคือความเกลียดไอ้ความโกรธตัวแรกนะความเกลียดนั่นแหละที่เกิดขึ้นสดสดร้อนๆเนี่ยตัวนี้มีกำลังกล้านะเราไปดูตัวเก่าซึ่งเป็นอดีตไปแล้วนี่ดูผิดตัวหรือดูแล้วใจไม่ตั้งมั่นดูแล้วไปเพ่งใส่มันเช่นพอเห็นความโกรธลวนะ้วก็ไปจ้องมันด้วยความเกลียดชังนะจ้องจ้องจ้องไว้ถล้ำลงไปรูนะ้ก็ใช้ไม่ได้ รู้แล้วไม่เป็นกลางเขาใช้ไม่ได้ะงั้นพวกเราที่มาหัดเนี่ยหัดรู้สภาวะนะด้วยจิตที่เป็นกลางรู้สภาวะถูกตัวตัวที่กําลังมีบทบาทสําคัญในปัจจุบันนะแต่ละคนก็ต้องฝึกอย่างนี้แหละที่หลวงพ่อค่อยถามคอยอะไรนี่ก็เพื่อจะดูว่าพวกเราดูถูกตัวไหมหลายคนดูผิดตัวนะเลยต้องถามว่าจิตขณะนี้เป็นยังไงนะอยากรู้ว่ารู้ไหมนะ ถ้ารู้ถูกต้องว่าจิตขณะนี้เป็นยังไงดีหรือไม่ดีเนี่ยหลวงพ่อไม่ว่าสักคำใช้ได้ทั้งนั้นแหล ะ, อะของคุณว่ายังไงค่ะมีรู้สึกวันนี้ล่งขึ้นนะคะฟุ้งน้อยลงหลังจากที่คิดง่วนอยู่ส3งสาวันนะคะก็เห็นช่วงที่ผ่านมาเห็นความสงสัยแต่ก็ปล่อยขณะรู้ทันแล้วก็ว่าอยากรู้เรื่องปฏิจจกก็ยังมันแม้รู้แล้วก็ยังเกิดขึ้นอีกมันเหตุไม่จบนะคะคให้รู้ลูกเดียวเลยนะรู้หรือเป่ กิเลสทั้งหลายเนี่ยจะหลอกให้เราลืมเนื้อลืมตัวกิเลสทั้งหลายจะหลอกให้คิดกิเลสทั้งหลายจะให้เลิกปฏิบัตนะิสงสัยเกิดขึ้นี่หลอกให้คิดแต่ก็ลองไปดู <c oughs> เรื่องในโครงในที่เมื่อวานพรเจริญให้ไปก็คือไปพบว่าเรื่องเรื่องกวนใจเวลาไม่มีเข้ามาเป็นผัสสะเนี่ยก็เกิดความไม่ชอบแล้วก็พอไม่อยากได้ยินก็จับวิทยาลัยเป็นตันหาแต่พอทันปับ๊บก็จบเลย <c oughs> เลยสงสัยแต่ว่าพอไม่ทันเหมือนกับไปเราคิดต่อละเริ่มวาง<อ>าแผนต่อตรงนั้นนี่ถือเป็นพบใช่ไหมคะใช่ได้สร้างพบขึ้นมาแล้วนะต่อทำอีกนิดทิชชู่อยากไปหยิบทิชชู่มามาเช็ดบืนนี่ก็รู้สึกเป็นหยากแล้วอ่ก็ถือเป็นนับก็ให้รู้ทันได้คะแนนอย่าว่าแต่หยิบทิชชู่มาเช็ดเลยนะค่ะครูบ้าเนี่ยมีวันหนึ่งใช้ทิชชู่เสร็จแล้วกว้างทิชชู่ทิ้ง ในขณะที่กว้างทิ่ชูดเนี่ยเห็นเลยว่านี่มันเสริมอัตตานี่แหละกูแหล ะ, ะรู้สึกคล้ายๆเมื่อชอบปิดประตูรถปั้งดังไปนิดนึงก็รู้สึกว่าตัวตนมันเกิดใช่ใช่มันสนองอัตตานี่กูยิ่งใหญ่อันนี้อันนี้ถ้าถอยไปเป็นตัณหาที่เป็นภาวะตัณหาหรือเปล่าคะอ๋อใช่เป็นภาวะตัณหาอ๋อแล้วก็ธนวัฒน์อะไรก็ตามที่ดูเป็นตัวตนใหญก่ก็คือตัวนี้ทั้งสิ้นใช่ไหมคะ เมื่อไม่กี่วันเนี้วันสองวันเนี้หลวงพ่อตอนเช้าๆเดินมาที่ศาลาแต่ไม่ได้ให้โยมรู้นะเพราะโยมยังอยู่ทางน้นเดินมาเล่นๆเห็นไหมใครมาจอดรถรถวัดเนี่ยจอดแล้วเปิดไฟทิ้งไว้พิจารณาดูอ๋อเด็กที่ขับรถนี่แหละมันเปิดไฟทิ้งไว้เป็นการประกาศอัตตานะเนี่ยซึ่งแหมมันละเอียดมากเลยแค่ชั้นได้บริโภค เหนือกว่าชาวบ้านเขาบริโภคแบบโง่โงด้วยนะบริโภคของวัดนะแบบเปิดไฟทิ้งไว้เนี่ยพระบอกหลายทีแล้วก็ไม่ปิดนะทุกครั้งที่จอดรถต้องเปิดไฟทิ้งไว้เราสงสัยมันเกิดอะไรนะพิจารณาลงไปเนี่ยมันคือการเสริมอัตราว่าฉันได้บริโภคนะฉันได้บริโภคเพราะฉะนั้นแค่การได้บริโภคนะก็เสริมอัตราทําอะไรต่ออะไรอัตราทั้งนั้นเลย รู้สึกมันมีวงเล็กวงใหญ่อะคะ่ะวงเล็กก็คือพอเราทันไม่ว่าจะทันเวทนาทันตันหาแต่ละรอบเนี่ยเหมืนมันตัดวงเล็กใช่พบเล็กไปแต่ถ้าเราเข้าใจแท้ว่าขันห้าไม่ใช่เราเนี่ยมันจะตัดวงใหญ่ไปสักนิดหนึ่งอะไรเงี้ยได้ปะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะพบใหญ่เนี่ยตัดตอนที่ทําลายอาวิชาไปแล้วแล้วขันแตกดับไปแล้วตอนแต่เข้านิพพานแล้วนะ ตอนอนุปาที่เสสนิพานตัดพบใหญ่แล้วช่วงที่เข้าครั้งแรกนั้นเป็นการแค่สกิดยังไงคะหรือเป็นการเห็นความจริงแล้วว่าขันห้าไม่ใช่เราเห็นแค่นั้นแหละแล้วก็กลับมามีตันหาต่อมีตันหาอุปาทานพบชาติทุกเหมือนเดิ ม, มนะละกิเลสไม่ได้นะละได้แค่ความความเห็นผิด คำถามสุดท้ายค่ะมีความเคยเห็นสังเกตว่ามีความคิดปั๊บเนี่ยมันมักจะต่อไปเรื่อยมีความคิดที่ไม่ก่อพบหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะมีคิดที่เป็นกริยาเฉยๆมีของพระอรหันต์นะแต่ปุถุชนนี้มีปุถุชนก็สร้างพบแทบเท่านั้นแหะในทุกคิดที่ออกไปเวลาคิดนะเวลาคิดแล้วมันจะมีตัวมีตนมีเรามีเขาอะไรขึ้นมาขอบคุณครับมันไม่ใช่กริยา มันชิดแล้วมันเอาจริงหลวงพ่อคะของถาวนมีหยาบมีละเอียดมันมันเร็วค่ะแล้วถ่ายังดูอะไรมันผิดรู้สภาวะมั่งเปล่าคะที่ถ่ายดูอยู่ตอนนี้เหรอตอนนี้แข็งไปใช่ค่ะตอนนี้แข็งแข็งแล้วอยากหายไหมก็คิดว่าน่าจะมีนะคะเพราะว่านั่นแหละก็รู้ที่อยากให้มันหายดูอย่างนี้ไปปกติใช่ไหมคะดูไปปกติแต่ไม่ใช่ดูแล้วก็ทื่อๆอยู่อย่างนี้นะบางทีถ่ายก็งงว่าถ่ายดูีผิดดูถูก่เราเรารู้รู้ไม่ทั่วถึง สภาวะธรรมที่กําลังบงการเราอยู่อะไรทําให้จงใจมันดูมันเนี่ยอยากดูเห็นไหมใช่ค่ะไม่ว totally ่าอะไรนะมันจะมีความอยากซ่อนอยู่หลังฉากเสมอแล้วมันมีสภาวะที่ว่าบางครั้งคิดว่าไม่ต้องส่งกันบ้านหลวงพ่อก็ได้เพราะเราส่งแล้วจะเสียแต่บางทีก็แตไม่มั่นใจตัวเองอะค่ะว่าตัวเองดูถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระทั่งส่งกันบ้านนะจํานวนมากเลยไม่มีเรื่องส่งแล้แต่ต้องจับไมค์ไว้หน่อยเพื่อประกาศอัตรานะ มีบางคนตั้งใจไว้จะไม่มาเรียนกับหลวงพ่อเลยจนกว่าจะรู้ธรรมะนี่ก็ประกาศอัตตาอีกนะคือไม่ว่าทําอะไรนะเบื้องหลังมันก็คืออัตตาตัวตนแทบทั้นั้นแนหะกลัวมีกลัอยู่ตอนนี้ถามตัวเองบ่อยๆว่ามาทําไมบ่อยๆอก็ถามอยู่เรื่อยๆก็ต้องรู้ทันนะ่ามาฟังทำแล้วก็จะมีคําตอบว่าเราไม่ค่อยเก่งเราไม่ค่อยรู้อะไรอะไรแบบนี้มีเราเห็นไหมใช่ค่ะมีเราแต่แป๊ะเรานี่ไม่เก่ง นี่เรียกว่ามานะนะเป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งมานะเมื่อเราพูดมาสักคนละประโยคสิหลวงพ่อจะอยงแยกประโยคให้ฟัง <c oughs> <c oughs> ว่าซ่อนจิเลสอะไรไว้บ้างเหมือนที่พระสารีบุตรเคยสอนพระนุรุตนะพระนุรุตนะไปภาวนาอยู่ในปา่าได้โสดาแล้วได้ที่พระจักสนะุท่านก็เที่ยวดูโล ก, กาธาตุต่างๆเกิดดับวันหนึ่งท่านก็มาถามพระสารีบุตรบอกขัดแต่ ท่านภาษาดิบุตรพูดเจริญนะผมมีที่พระจักสูเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผมเห็นโลกธาตุตั้งพันโลกเกิดดับในเวลาเพียงครู่เดียวเนี่ยทำไมผมไม่บรรลุพระอราหารันต์ mm hmm. สักทีภาษาริบุตรท่านแยกประโยคนี้ให้ฟังที่เล่าเนี้ยผมมีที่พระจักสูเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยผมอวดดีอวดเก่งนี่เรียกว่ามานะนะผมเที่ยวรู้โลกธาตุตั้งพันโลกในเวลาครู่เดียวนี่นั่นฟุ้งซ่าน เมื่อไรผมจะบรรลุสักทีนั่นคือความรําคาญใจกิเลส ช, ชื่อกุขุจจักเป็นโทสะชนิดหนึ่งพระสารีบุตรก็บอกว่าให้ท่านละทำสามอย่างนี้น้อมจิตไปสู่อมตะธาตุแล้วท่านจะบรรลุพระอรหันต์ละทำสามอย่างก็คือท่านรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุไม่ได้น้อมไปไหนหรอกนะก็รู้เท่าทันความปรุงแต่งจนมันหมดความปรุงแต่งไปนะอมตะธาตุ ก็คือวิสังขารความไม่ปรุงแต่งคือวิราคะความไม่อยากนะนั้นใจมีความอยากขึ้นมารู้ทันใจมีความปรุงแต่งรู้ทันนะในสุดใจก็พ้นจากความอยากและความปรุงแต่งเหลือแต่สักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่เมื่อจิตสักว่ารู้สักว่าเห็นสภาวธรรมทั้งหลายนะมันจะตรงความจริงไม่ใช่เห็นแล้วแทรกแสงเห็นแล้วมันน่าจะอย่างน้นนะ่ะน่าจะอย่างนี้นะ่ะมันควรอย่างนั้นมันไม่ควรอย่างนี้ น, นี่เห็นอย่างนี้ไม่ได้เรื่องนะถ้าเห็นอย่างที่เขาเป็นจริงๆ ใจมันจะแจ้งขึ้นมาใจมันหมดความดิ้นรนมันจะเห็นนิพพานงั้นเราลองนะลองเวลาเราคิดอะไรสักประโยคนึงลองสังเกตให้ดีฮะมันซ่อนกิเลสไว้ได้หลายตัวนะ่ยหรือเราพูดคําว่าเราเนี่ยรู้สึกไหมมันมีเราจริงๆเนะีเวลาพูดคําว่าเราแล้วมันเกิดความรู้สึกเป็นเราขึ้นมาจริงๆถ้าพระโสดาบันไม่เป็นนะนะดูลงไปแล้วจะกลวงๆแต่พอเผลอเนี่ยยังยึดอยู่ความเห็นผิด แก่ความยึดมั่นคนละตัวกันความเห็นผิดเป็นทิฏฐิเป็นทิฏฐิเรียกมิจฉาทิฏฐิความยึดมั่นเป็นตัวอุปาทานเป็นโลภะด้วยกันนั่นแหละแต่คนละตัวกันอ้าต่อไปเชิญการนมัสการหลวงพ่อค่ะช่วงที่ไม่ได้ส่งกันบ้านรู้ทุกข์เยอะมากก็รู้สึกไหมมีอัตราขึ้นมาแล้ว ล้หนูก็เลยภาวนาพอภาวนาไปแล้วมันก็เห็นปัญญาค่ะแล้วก็เลยเอาปัญญามาแก้ไขได้สําเร็จค่ะแต่ว่าช่วงนี้จะฟุ้งซ่านเยอะค่ะ อ, อฟุ้งซ่านเป็นปกติของโยมนะค่ะจิตโยมมันมีปกติฟุ้งซ่านแล้วก็มีโทสะด้วยค่ะเออเนะนี่ยเรารู้แล้วเห็นไหมเรามีจุดอ่อนอะไรเรารู้หมดเลยวันหนึ่งเราจะดีแล้วช่วงนี้รู้สึกซึมเยอะค่ะ อ, อืนี่ภาวนาได้ดี ไปง่งงงข้าหลัตรงนี้และะ้ค่ะที่หนู อ, อยากได้อยากได้อะไรอยากได้คําชมจากหลวงพ่ออ้าวได้แล้วไปส่งไปข้างหลังนู้นเนี่งเดี๋ยวคนนู้นเข ย, ยกก่อนนะเออคนนู้นคนนี้เนี่ยยกไว้ยกไวอย่าเพิ่งเอาลงเดี๋ยวหายไปบางคนเนี่ยนะไม่รู้หรอว่าคําชมเป็นพิษเป็นภยัยหลายคนพอได้คําชมนะการภาวนานเนี่ยคว่ำเลยเพราะอยากแค่ให้ดีคงที่ อยากให้ดีทุกวันหลวงพ่อจะได้ชมเพราะอยากปฏิบัติให้ดีนะไปบีบบังคับตัวเองการภาวนาล้มเหลวไปเลยะเงั้นบางทีควรชมหลวงพ่อยังไม่ชมเลยนะปฏิบัติได้น่าชมแล้วแต่ไม่ชมเพราะรู้ว่าชมแล้วเสียบางคนนะบางคนจะไม่ชมมิแตด่ด่าด่าอย่างเดียวบางคนสังเกตให้ดีมาถามอะไรหลวงพ่อหลวงพ่อจะโอ๋ตลอดเลยดีดี ด, ด, ดนะเพราะตําหนีไม่ได้ตําหนี่แล้วล้มคว่ํำไปเลย งั้นถ้าคนไหนทนมือทนเท้าก็จะได้ดีอย่างรวดเร็วได้เรียนธรรมะซื่อๆเรียนอย่างซื่อๆอย่างบางคนจะโดนด่าตลอดไม่ไม่ชมไม่ชมหรอกชมแล้วเสียเพราะขนาดไม่ชมยังเสียเลยนะนะเอาต่อไปเชิญครับขับน้มัตการครับหลวงพ่อครับช่วงหลังๆนี่ผมรู้สึกว่าผมเพ่ง จนแข็งเลยครับหลวงพ่อครับมัน <ฮะ S 2> เกิดจากอะไรดูออกไหมไม่ทราบครับมันอยากปฏิบัติอพอมันอยากปฏิบัตินะเมื่อลงมือจ้องเอาจ้องเอาอยากรู้ให้ชัดๆเราจะแก้ยังไงนะครับหลวงพ่อให้รู้ทันว่าอยาก อ, อยากปฏิบัติขึ้นมานะรีบรู้เลยว่าอยากอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วนะครับแล้วไง คือถ้าเมื่อไหรเราอยากปฏิบัติเนี่ยเราจะลงมือทําสิ่งที่เราทำนะเพราะความอยากคือการเพ่งคือเราอยากรู้ให้ชัดๆอยากรู้ให้ชัดต้องดูไม่ให้คลาด ส, สายตาอะไรเงี้ยกลายเป็นการเพ่งเพราะฉะนั้นให้มันเผลอไปก่อนแล้วรู้ว่าเผลอให้มันโลภไปก่อนแล้วรู้ว่าโลภให้มันโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธให้ความรู้สึกเกิดก่อนอย่าไปดักดูอย่าไปรอดูถ้าดักดูรอดูจะกลายเป็นการเพ่ง ผมกลัวจะโกรธแรงไปครับหลวงพ่อครับนั่นเห็นไหมเราปฏิเสธเราไม่อยากโกรธแต่หลวงพ่อจะบอกให้อย่างหนึง่งถ้าคุณกดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะวันใดที่หมดแรงกดเนี่ยคุณจะโกรธอย่างรุนแรงเลยอ๋อนะหรืออย่างบางคนข่มราคะไว้ตลอดเลยราคะเกิดแล้วเพ่งเอาไว้เพ่งไว้ให้นิ่งเลยนะไม่ให้ให้มีราคะวันใดหมดแรงเพ่งนะจะราคะรุนแรงกว่าคนธรรมดา วันใดจิตจะฟุ้งซ่านก็น้อมเพื่อหาความสงบลูกเดียวเลยวันใดที่หมดแรงน้อมจิตจะฟุ้งซ่านมากกว่าคนทั่ ว, วไปมันคิดดอกเบี้ยเนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่คุณภาวนาแล้วรู้สึกว่าความโกรธมันรุนแรงเนี่ยคุณเราสังเกตส่วนใหญ่รากเง่ามันมาจากการที่เรากลัวว่าจะโกรธเราก็เลยไปข่มเอาไว้พอหมดแรงข่มมันก็โกรธแรงพอโกรธแรงเราก็ตกใจกลัวเราก็ยิ่งข่มให้มากขึ้นไปอีกนั้นการปฏิบัติเราก็จะข่มไปเรื่อยๆนะีเครียด งั้นคุณต้องใจถึงถึงนะเพราะฉะนั้นที่คุณภาวนาอยู่เนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยใช้ได้แล้วใจมันเริ่มรู้ตื่นขึ้นมาได้แล้วคุณอย่า ก, กลัวไม่ดีให้คอยรู้ไปคุณแค่ถือศีลห้าไว้ก่อนโกรธก็ได้นะแต่ไม่ล้นออกมาทางกายและวาจาโกรธอยู่ในใจไม่กดมันเอาไว้ดูความมันความโกรธที่มันปุดขึ้นมาเหมือนหมาบ้าเหมือนเสือร้ายนะขึ้นมากระโชกโขกห้างอยู่ในใจข้างนอกเราไม่ออกมา ออกมาแล้วผิดศีลเราถือศีลไว้ก่อนอด่าก็ไม่ได้ใช่ไหมครับหลวงพ่อครับด่าด่าก็ผิดศีลสิเห็นไหมหลวงพ่อถึงบอกว่าศีลห้าจำเป็นสําหรับผู้ปฏิบัตินะถ้าเราทําแค่สมถะเนี่ยศีลไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราข่มจิตเอาไวน้นิ่งๆเราไม่ทําผิดศีลหรอกแต่ถ้าเราทำํำมิพัฒนาต้องถือศีลก่อนต้องมีศีลรักษาไว้ก่อนเพื่อว่าเราจะไม่ทําผิดทางกายและวาจา แต่ในขณะที่ทางใจเนี่ยมันทำอะไรเราจะตามรู้ไปเรื่อยๆเราไม่เก็บกดแล้วก็ไม่คล้อยตามเก็บกดหมายถึงเราไปต่อต้านกิเลสคล้อยตามหมายถึงว่าเราถูกกิเลสครอบงาเช่นมันโกรธขึ้นมาแล้วเราก็ไปด่าเขาอันนี้เพราะถูกกิเลสครอบงาจิตจิตถูกโทสะครอบงาไปเรียบร้อยแล้วนะหรือความโกรธเกิดขึ้นไปกดมันใหญ่เลยอันนี้เราปฏิเสธมันเราไม่ชอบมันนะเราเราต่อต้านมัน อยากต่อต้านกิเลสแล้วก็อยากคล้อยตามกิเลสให้รู้กิเลสทำใจของเราให้เหมือนเรือลำใหญ่ๆจอดทอดสมออยู่ในแม่น้ำหรือในทะเลน้ำไหลผ่านเรือไปนะเรือไม่ขวางน้ำนะเหมือนใจไม่ขวางกิเลสนะในขณะเดียวกันเรือไม่ลอยตามน้ำคือใจเราก็ไม่ลอยตามกิเลสไปเรามีสมอที่ทอดอยู่นะคือมีสติอยู่นะมีสติรู้กิเลสไหลผ่านมาก็รู้กิเลสไหลผ่านไปก็รู้นะ เรารู้อยู่อย่างนี้ยสติจะทําหน้าที่อารักขาคือสติจะทําหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตไม่ให้ถูกอกุศลครอบงําเพราะฉะนั้นกิเลสเกิดขึ้นให้คุณรู้ไปกิเลสมันมาแล้วดูเหมือนดูคนอื่นดูเหมือนเห็นกิเลสของคนอื่นดูเหมือนดูคนเดินผ่านหน้าบ้านนีดูเหมือนเห็นน้ําไหลผ่านข้างเรือไปดูสบายๆไม่ใช่เป็นต่อต้านของคุณเป็นต่อต้านนะมนันเครียดครับปล่อยซะอ้าวต่อไปขอบคุณครับ หลวงพ่อครับอยากให้หลวงพ่อช่วยอธิบายครับว่าการบังคับเหมือนว่ามีตัวตนที่บังคับได้แล้วก็ตัวตนที่บังคับไม่ได้ตัวตนไม่มีนะครับไม่มีสักอย่างเดียวทั้งตัวตนที่บังคับได้ตัวตนที่บังคับไม่ได้ตัวตนไม่มีบางครั้งครับบางครั้งเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าอย่างเช่นบางเรื่องเนี่ยเราเข้าใจว่ามันบังคับไม่ได้แต่ว่าอย่างสมมติว่าเราสั่งให้มือขยับอย่างนี้ อันนี้เพราะว่ารูปมันเคลื่อนไหวได้เพราะจิตสั่งการที่จิตสั่งเนี่ยเป็นเหตุอันหนึ่งให้เกิดรูปนะรูปบางอย่างเกิดจากจิตเรียกจิตตะชรูปรูปที่เกิดจากจิตนะงั้นไม่ใช่ว่ารูปทุกอย่างที่สั่งได้ขอคำถามครับก็คือว่าบางครั้งเนี่ยไปดูว่าบางครั้งเนี่ยจิตเป็นผู้รู้จิตเป็นผู้นึก บางครั้งเป็นผู้จํำระหว่างที่ดูเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าหลังจากเกิดกิเลสแล้วเนี่ยก็จะมีมองไปดูอีกทีนึงมันมีตัวตนเห็นตัวตนแทรกมาเป็นระยะระยะครับคราวนี้บางทีก็เป็นตัวตนใหญ่ตัวตนเล็กบางทีก็มองไม่ชัดไม่เห็นบางครั้งก็ตั้งใจเข้าไปควานควเพื่อไปหามันว่ามันอยู่ตรงไหนถ้าควานอยู่ไม่เห็นเพราะเราเอาตัวตนเที่ยวหาตัวตนมองไม่เห็นถูกต้องแล้ว เพราะนั้นตัวตนจริงๆไม่มีหรอกจิตเราไปสําคัญว่ามีขึ้นมาเองเป็นทิฏฐิเป็นวิชาทิฏฐิไม่มีจริงเหมือนภาพฝันเหมือนความลบภาพหลวงสาตัวนี้เป็นทิฏฐิหรืออุปทานครับใจมันไปสําคัญผิดว่ามีตัวตนมันอุปทานในสิ่งต่างๆแล้วมันก็ยึดในวาทะว่ามีตัวตนงั้นไม่มีนะว่า ความยึดอุปาทานในตัวตนไม่มีมีแต่คำว่าอั ต, ตาวาทุปาทานอั ต, ตาวาทะมีวาทะว่ามีตัวตนเราไปยึดในวาทะอันนี้เพราะฉะนั้นตัวตนจริงๆไม่มีให้ยึดต อ, อกแต่เราไปยึดในความคิดความเห็นว่ามีตัวตนแล้วไปสำคัญมั่นหมายเอาสภาวธรรมที่เราไปรวบมาแล้วเนี่ยเราไปสำคัญหมายว่าเป็นตัวเป็นตนเรียกว่าสัญญาวิปลาสวิปาลาสไปทั้งๆ ท, ที่ไม่มี คือมันมันเป็นสภาวะที่ผุดขึ้นมาขึ้นมาแค่เท่านั้นเองใช่มันผุดขึ้นมาตามหลังความคิดมาพอเราคิดนะโดยฉพาะถ้าคิดแล้วกิเลสเจือนะเีจะโผล่ได้เร็วแระแรงถ้าคิดไปในทางเป็นกุศลนะั่นก็โผล่เหมือนกันนะโผล่มานุ่มนวลเบาๆแหมฉันเป็นคนดีฉันทําบุญใส่บาตรฉันดีไปส่งไปข้างหลังไปข้างหลังเอาคนไหนก็เอา วัฒ ก, การหลวงพ่อค่ะเมื่อเดือนที่แล้วจิตเป็นเกาะกับอารมณ์แต่ก็พยายามถอยออกมาก็เลยจะมาถามหลวงพ่อว่าตอนเนี้ยได้ทางสายกลางแล้วยังคะตอนเนี้กําลังเกาะอยู่กับอารมณ์รู้สึกไหมมาเกาะหลวงพ่ออยู่มารอฟังหลวงพ่ออยู่ใช่ค่ะงั้นจิตเราไหลไปเกาะที่อารมณ์เราก็รู้ทันนะจิตแยกออกมาจากอารมณ์เราก็รู้ทันตรงที่รู้นั่นแหละเรียกว่าทางสายกลาง แต่รู้ไม่ได้รู้ตลอดเวลารู้บ้างเผลอบ้างอย่างตอนนี้เผลอไปคิดแล้วรู้สึกไหมใจไหลไปคิดก็ให้รู้ว่าไหลไปคิดตรงที่รู้นั่นแหละเรียกว่ากลางถ้าเกินจากรู้ไม่เรียกว่ากลางและแล้วสัมมาสงงสัมมาสติเกิดแล้วยังคะของหนูวะคะสัมมาสติแท้ๆยังไม่เกิดสัมมาสติเกิดตอนที่อริยมรรคเกิดเพราะฉะนั้นสติตอนนี้ก็เรียกอนุโลมเป็นสัมมาสติไปก่อนค่ะนะ สมาธิที่เรามีก็อนุโลมว่าเป็นสัมมาสมาธิไปก่อนปัญญาที่เรารู้เห็นไตรลักษณ์ก็อนุโลมเอาว่าเป็นสัมมาทิฏฐิไปก่อนสัมมาแท้ๆไปเกิดในองค์มรรคค่ะนี่ <c oughs> ตอนนี้ก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสติสัมมาสมาธิอะไรนี้เรียกโดยอนุโลมเอา <c oughs> เรียกเอาใจ <c oughs> เรียกเอาใจค่ะขอบคุณค่ะในพระไตรปิฎกก็มีนะคำชนิดนี้ <c oughs> คำพูดเอาใจอย่างในวิพัง์ ของอภิธรรมมีอยู่บทหนึ่งบอกทำเอกเอโกโอทิภาวะคือความตั้งมั่นของจิตคือสัมมาสมาธิแต่ทำเอกจริงๆเกิดใน ช, ช, ชาญที่สอ ง, ช า, สองชาญที่สองไม่ได้เกิดในอริยมรรคทุกครั้งเพราะงั้นไม่ใช่ว่าทำเอกในอริยมรรคกับทำเอกที่เราใช้เจริญสติอยู่ข้างนอกนี้อันเดียวกันเรียกอ น, อนุโลมเอาสัมมาสมาธิโดยอนุโลมเอา เรืยองเอาใจไว้ก่อนพอมีกํำลังใจว่าฉันก็มีสัมมาเหมือนกันแต่สัมมาชนิดที่พวกเรามีนะยังคู่กับสัมไปนะ <l ots> เห็นไหม <c oughs> เดี๋ยวก็มีสติ <c oughs> เดี๋ยวก็ขาดสติ <c oughs> เดี๋ยวก็ดี <c oughs> เดี๋ยวก็ร้าย <c oughs> เดี๋ยวก็สุข <c oughs> เดี๋ยวก็ทุกข์ <c oughs> ไม่ว่าตัวไหนมาตัวนั้นไปหมดทั้งสิ้นเลยนะอาส่งไปข้างหลังไปอาว่าไปมาจากเชียงใหม่ค่ะหลวงพ่อ รู้ว่ายังอยากดีอยู่อะค่ะแต่จะถามหลวงพ่อว่ายังกดยังเพ่งอยู่บ้างไหยคะยังยังกดยังเพ่งอยู่นะเยอะมากัหยคะไม่มากนะไม่มากอย่างตอนนี้มันมากเป็นพิเศษเพราะมันตื่นเต้นตอนที่ยังไม่ได้จับไม่เนี่ยไม่ได้มากอย่างนี้ตอนที่ไม่ได้จับไม่เนี่ยกระวนกระวายกลัวไม่ได้ไม ต, ตอนนั้นไม่ได้เพ่งเอาถือว่าช่วงนั้นใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นใช้ไม่ได้เพราะว่ากระบวนกระวายไม่เห็นว่ากระวนกระวายอยู่ถ้าเห็นว่ากระบวนกระวายอยู่ใช้ได้เลยยังไม่รู้จักกระวนกระวายเลยค่ะร yes. ู้สึกไม่จิตมันกระสับกระสายจะได้ไม่ได้เนี่ยให้รู้สภาวะนั้นถ้ารู้สภาวะถูกต้องตรงตามความเป็นจริงด้วยจิตที่เป็นกลางก็ใช้ได้ละ ค่ะหลวงพ่อคะถ้าหนูจะดู เ, เวทนาเพราะหนูเคยฝึกมานิดนหนึน่งอย่างเงี้ยคะ่ะหนูนี่ดูได้หรือเปล่าคะเวทนาจะทําได้ดีต้องทําชาญ น, นะ<อ>เพราะฉะนนอย่างสายโกเอนก้าเนี่ยเขาจะให้ทําสมาธิก่อนพอจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งแล้วจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วมันสึงจะสามารถเห็นได้ว่ากายก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแยกกันออกมาเวทนาก็ทําหน้าที่ของเวทนาแล้วก็สักแต่ว่ารู้สักว่าเห็น ไม่ใช่เพื่อละเวทนาอ๋อค่ะแล้วต้องให้รอให้มีผู้รู้ตื่นขึ้นมาหรือว่ารอว่าเราหนูนั่งสมาธิก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำอะไรผู้รู้ก็ไม่ตื่นเพราะถ้ารอแล้วผู้รู้ตื่นได้เองนะใครๆก็ตื่นกันหมดโลกแล้วค่ะนั้นเราต้องฝึกเอาวิธีฝึกเนี่ยคุณค่อยๆสังเกตไปอย่างร่างกายของคุณยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่นะหรือจิตใจคุณมีสุข มีความทุกข์จิตใจเฉยๆ ห, <า>หรือร่างกายเป็นสุขร่างกายเป็นทุกข์อะไรเกิดขึ้นเนี<า>่ยคุณสังเกตลงไปเลยทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้าทุกสิ่งเป็นของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยค่อยๆสังเกตไปห<า>เห็นไหมร่างกายเป็นของถูกรู้<า>เวทนาเป็นของถูกรู้หัดแยกอย่างนี้เรื่อยๆนะมันจะมีผู้รู้ขึ้นม า, าทําไมหลวงพ่อสอนให้คุณทําผู้รู้ด้วยวิธีนี้เพราะคุณทําชาญไม่ได้ จิตของคุณยังทําฌานไม่ได้จริตของคุณไม่เหมาะที่จะทําฌานด้วยซ้ําไปค่ะงั้นหนูดูจิตต่อไปเลยเร่อยๆใหมดูจิตต่อไปเลยนั่นแหละเหมาะกับคนซึ่งไม่ได้ฌานเท่าที่หนูรู้หนูดูโทรศหนูเห็นโทรศพท์เออนั่นแหละเราดูจิตได้เพราะของคุณเป็นทิฏฐิจริตคนช่างคิดพวกช่างคิดต้องดูจิตเอาจิตไม่รวมไม่สงบไม่เกิดฌานนะถ้าดูจิตเอาอย่าทํากรรมฐานที่เราไม่คุ้นนะอย่าง การรู้กายเวทนาเนี่ยเหมาะกับคนได้ฌานหนูดูลมหายใจได้ไหมคะหลวงพ่อดูแล้วก็คอยรู้ไปร่างกายมันหายใจเราเป็นคนดูอยู่จิตเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจต้องหัดอย่างนี้นะอ๋อค่ะไม่ใช่หายใจไปเรื่อยแล้วก็เกาะนิ่งๆอยู่กับลมแล้วเคลิมไปใช้ไม่ได้อ๋อค่ะค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะสาธุอ่าส่งไปส่งไป วันนี้จิตมันอยากปฏิบัติขึ้นมาครับหลวงพ่อมาเลยแน่นๆขึ้นมาหน่อยให้รู้ทันว่าอยากนะให้รู้ว่าแน่นอย่าอยากหายครับแน่นก็รู้ไปขอบคุณพอใช้ได้แล้วจิตเริ่มตื่นแล้วเมื่อก่อนมันจะเห็นแค่ว่าแบบกายไม่ใช่เราเป็นแค่สิ่งที่จิตไปรู้เข้าวอะครับ<อ>แต่เดี๋ยวนี้พอรู้ว่าจิตมันหนีไปคิดมันจะเริ่มเห็นว่า<อ>มันหนีไปคิดได้เองมันไม่ใช่เ<อ>รานนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เป็นการเห็นสะสมปัญญาในเชิงปริมาณนะ ยังไม่พลิกเป็นคุณภาพจิตมันจะรู้สึกบางเป็นบางครั้งว่าจิตมันยังเรียนรู้ไม่พอครับหลวงอนั่นแหละดีถูกต้องหลวงพ่อตอนภาวนามาตั้งนานนะพรรษาแรกจิตมันยังรู้เลยว่าไม่พอมันรู้ว่าไม่พอต้องทำดต้องดูอีกต้องดูสะสมไปเรื่อยๆอย่างนีดูสะสมไปมันจะสะสมเชิงปริมาณนะหมายถึงรู้สึกไปมีสติสมาธิปัญญาอะไรนี้รู้ไปเรื่อยเห็นทุกอย่างเกิดแล้ดับเห็น กายไม่ใช่เราเห็นจิตไม่ใช่เราอะไรเนี่ยซ้าๆๆไปอย่างนี้น mm hmm. เวลาที่มันพอแล้วมันจะเปลี่ยนคุณภาพอย่างฉับพลันมีควาว่าฉับพลันนะ <c oughs> ส่วนการสะสมปริมาณเนี่ยยืดเยอะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยต้องต่อเนื่องรู้กายรู้ใจต่อเนื่องรู้เนืองๆไม่ท้อถอยรู้ไปเรื่อยๆถึงบทที่เขาจะพลิกเปลี่ยนคุณภาพนั้นฉับพลันเลยยังก็ฟ้าแลบเลยนะ มันเปลี่ยนเองไม่มีใครบังคับจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตบรรลุของเขาเองพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะก็คือดูอย่างที่ทํานี่ถูกแล้วถู ก, ถกแล้วนะแต่ส่งไปข้างหลังขคข้างหลังขออนุ ญ, ญาตครับหลวงพ่อครับคนผมภาวนาไปแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกับไม่ได้ทําอะไรเลยอื ม, มีข้อบอกพร่องที่หลวงพ่อจะชี้แนะได้ไหมครับไม่บกพร่องนะทําไปด้วย เช่นแต่ละวันแบ่งเวลาเดินจงกรมบ้างอะไรบ้างนะนะทำในรูปแบบไ้บ้างไหว้พระสวดมนต์ท่องพุทธโท ร, รู้ลมหายใจทำเล่นๆแต่ละวันนะั้นแบ่งเวลาทำเล่นๆอย่างนี้บ้างไม่งั้นเราจะรู้สึกว้าเวเพราเราจเจริญสติรวดเดียวเลยไม่มีรูปแบบเลยเนี่ยนานๆไปว้าเวใจรู้สึกไม่ได้ทำใจหายความจริงทำอยู่อ่ว่าไปขออนุญาตครับหลวงพ่อขอส่งกันบ้านครับหลวงพ่อ แล้วไงล่ะก็รู้สึกว่าอยากปฏิบัติธรรมครับมีความอยากอยู่เรื่อยครับไม่เป็นไรถ้าคุณรู้ว่าอยากเนี่ปฏิบัติเสร็จแล้วนะครับถ้าเมื่อไรความอยากเกิดขึ้นรู้ว่ากำลังอยากอยู่ปฏิบัติเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นความอยากเนี่ยมันเกิดทั้งวันคุณคอยไปดูความอยากนะให้กันบ้านแล้วนะอยากให้กันบ้านขอบคุณลูงพ่สังเกตนะใจเราเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวก็อยากรู้เรื่องเดี๋ยวอยากโน่นเดี๋ยวอยากนี่ เวลาใจมีความอยากขึ้นมาคุณรู้ไวๆก็แล้วกันนะไม่ห้ามมันนะไม่ใช่ห้ามอยากอ้าต่อไปเชิญไปถึงไหนแล้วที่ฝึกอยู่ใช้ได้บ้างหรือยังคะหลวงพ่อใช้ได้ใช้ได้ฝึกไปเถอะยังเพ่งอยู่ไหมคะยังเพ่งอยูนะ่ใจยังไม่ตั้งมั่นด้วยนะรู้สึกไหมใจมันกระจัดกระจายออกไปก็ให้รู้อย่างที่เขาเป็นนะงั้นมาถามหลวงพ่อว่าที่ฝึกอยู่ใช้ได้ไม่ได้ดีไหมดี ต้องเรียนนะต้องฝึกนะไม่ฝึกเลยไม่ดีอ้าส่งไปไปถึงไหนแล้วอ้าวกลับนมัสการหลวงพ่อครับเพิ่งเคยมาครั้งแรกครับจากใช้หลวงพ่อช่วยแนะว่าเคยฟังครับเหอเคยฟังแล้วรู้เรื่องไหมก็พอรู้บ้างไม่รู้บ้างครับกิเลสบ่อยไหมก็พอเห็นครับกิเลสตัวไหนเกิดบ่อยก็จะฟุ้งซ่านครับ นะเพราะงั้นต่อไปนี้นะใจฟุ้งซ่านให้รู้ว่าพขฟุ้งซ่านคุณฝึกอยู่นะฝึกอย่างเนี้ยใจหลงไปคิดอ่ะให้คุณรู้ว่าหลงไปคิดเดี๋ย er วหลวงพ่อจะพาดูให้เป็นตัวอย่างนิดหน่อยนะรเรื่องใจของหลงไปคิดเนี่ยเนี่ยไปแล้วรู้สึกไหมรู้สึกครับเอานะเนี่ยเริ่มเพ่งให้นิ่งๆแล้วก็ไปกวานมันรู้สึกไหมมันตั้งท่าขึ้นมานิดนึงแล้วก็เที่ยวกวานใหญ่เลยนะให้เรารู้ทันใจหลงไปกวานก็รู้เนี่ยใจหลงไปคิดอีกแล้วทราบไหม ฝึกอย่างนี้นะฝึกไปเรื่อยๆครับเราต้องเพ <c oughs> ่งต้องภาวนาอะไรหรือเปล่าครับหรือว่าควรจะฝึกแค่รู้แค่นี้ครับฝึกรู้อย่างนี้ก่อนนะแต่ถึงยังไงสุดท้ายก็ทิ้งสมถะไม่ได้หรอกร <c oughs> ถ้าสมถะเป็นกําลังเป็นตัวสนับสนุน <c oughs> การเจริญวิปัสสนาเนี่ยเป็นงานหลักสมถะเป็นงานสนับสนุนทำงานหลักอย่างเดียวไม่มีฝ่ายสนับสนุนเลย <c oughs> เหนื่อยตายเลย แต่ตอนนี้คุณหัดรู้ตรงนี้ไปก่อนนะแล้วมาส่งกันบ้านให้มันชํานาญให้รู้ว่าจิตหลงไปคิดเนี่ยหลงไปอีกแล้วรู้สึกไหมรู้สึกครับอย่าเที่ยวส่งจิตตามมันไปนะเที่ยวไปกวนกวใส่มันก็ไม่เอานะอ้าวใครยกมือเชิญเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยวกมาทางนี้เราเลิกไปเลยค่ะกาบนมัสการหลวงพ่อค่ะที่หนูดูอยู่เนี่ยทั้งกายแล้วก็จิตเนี่ยค่ะไม่ทราบว่า ถูกบ้างไหมคะหลวงพอ่อถูกสิที่หลวงพ่อบอกตะกี้ไงขอให้ดูเหะเห็นกิเลสไหมล่ะเห็นค่ะว่าเยอะไหมเยอะคะ่ะหลวงพอ่อนั่นแหและดูถูกหรือไม่ถูกเราดูตรงนี้แหละแล้วก็ที่ดูเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าบางทีไอตัวที่รู้เนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเดิมด้วยไม่ทราบหนูเข้าใจถูกหรื อ, อเปล่าคะโอเข้าใจถูกเป๊ะเลยนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่อหลวงปู่ล่าอยู่ผูเจ้าะก็ หลวูล่าเคยสอนบอกผู้ใดเห็นว่าตัวรู้เที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิตัวรู้ไม่เที่ยงนะตัวรู้ไม่ใช่ตัวเดิมหรอกเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเป็นตัวรู้บ้างเป็นตัวหลงบ้างแล้วก็เกิดตัวรู้ขึ้นมาอีกก็คนละตัวกับตัวเดิมอีกเห็นถูกล้ค่ะแล้วตอนที่นั่งสมาธิเนี่ยหนูรู้สึกว่าจิตมันมันก็รู้ตัวอยู่ตลอดเวลานี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะมันแข็งไปนิดนึง มันจงใจแรงไปนิดนึงผ่อนคลายกว่านั้นหน่อยนะแรงไปดูสบายๆเบาๆรู้เบาๆนะค่ะกลับกลับามาสัการะอ้ยกมือต่อไปเชิญเชิญอาทางนี้อาทางไหนทางนี้เขายกก่อนส่งกันบ้านในรอบสามเดือนเจ้าค่ะอ้ว่าไปตอนนี้รู้รสึกอม เหมือนกับว่ามีมอะไรมีก้อนนิดๆอยู่ข้างในถูกไหมจ้ะถูกก้อนนี้เกิดจากอะไรรู้ไหมไม่ทาเกิดจากจงใจปฏิบัติแล้วไปบังคับมันไปบังคับจิตเอาไว้อย่างตอเราจิตจะหลงไปนั้นเราเรากลัวว่าจะหลงไปเราไปดึงมันมาม่นั้มันแน่นๆเป็นก้อนๆอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเลิกบังคับไปมันก็จะหายไป คือหนูหาเครื่องอยู่ไม่ได้นะคะก็เลยบางทีเลยกลัวว่าจะหลงเลยไปเลยอยู่กับความเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้นะอยู่กับพุทโธก็ได้พุทโธพุทโธเล่นๆไปแล้วใจหนีแวบไปคิดก็รู้ทันอย่างเงี้ยแต่จิตมันไม่ค่อยชอบอะเจ้าค่ะมันพุทโธแป๊บนึงมันก็ไม่ค่อยพุทโธต่อแล้วมันชอบอะไรอะ่ะยังหามไม่เจอนะค่ะเคยมีพระองค์หนึ่งนะท่านบริกรรมพุทโธแล้วจิตมันทิ้งไปเลยมันไปบริกรรมชื่อแฟนท่าน เนี่ยพระลูกศิษย์หลวงพ่อพุธนะไปท่องพุธโธพุธโทโธสมมติว่าแฟนชื่อติ๋มนะพุโทโธพุธโทโธไปสักพักนึงกลายเป็นติมต๋มติ๋มติ๋มไป <laughs> ตกใจนะไปถามหลวงพ่อพุธว่าจะทํายังไงบาปตายเลย <laughs> หลวงพ่อพุธบอกให้ภาวนาไปจิตมันชอบคํานี้ถ้าเราไม่ชอบภาวนาเราก็รู้อย่างอื่นไป <laughs> รู้ร่างกายที่เคลื่อนไหว ะ, <laughs> ะกระดุกกระดิกเรื่อยๆ เมื่อคืนนะเมื่อคืนนะคะนอนไม่หลับทั้งคืนนะคะจิตมันร้องเพลงทั้งคืนเลยแล้วก็หนูตอนแรกรู้สึกทรมานมาก เ, <อ>เลยเจ้าคะ่ะแล้วก็พยายามจะทําสมถะแต่ว่าทําทําสมาธไม่ค่อยจะเป็นพอทําไปพยายามพุทโธพุดโทรไปมันก็หยุดแต่พอเราหมดแรงปุ๊บมันก็กลับมาร้องอีกอย่างงนะี้จนทั้งคืนจนไม่ไหวก็ละดูมันไปเรื่อยๆะคะ่ะก็เลยสงสัยว่าขาดกําลังของสมถะหรือเปล่าเจ้าคะ่ะคือจิตมันสอนส่นมวยให้เรานะว่าแกบังคับฉันไม่ได้หรอกฉันจะร้องเพลงนะ งั้นเราดูไปด้วยใจที่เป็นกลางเห็นไหมเขากาลังสอนเราว่าเขาไม่ใช่ตัวเราหรอกเขาร้องของเขาได้เองคืออย่างนี้นะพอใจเรายอมรับว่าเออเธอร้องของเธอเองนะฉันไม่เกี่ยวนะมันเลิกไปเลยมันรู้แล้วหลอกเราด้วยการร้องเพลงไม่สําเร็จหลอกแล้วเราไม่หวั่นไหวเราไม่ฟุ้งซ่านแต่ถ้าหลอกแล้วเราก็หงุดหงิดว้เมื่อไหร่จะร้องๆ อ, อยู่วักเดียวส่วนมากจะร้องซ้ําๆนะร้องฟังไปด้วยลว้โมโหอย่างนี้เท่ากับมันทํางานสําเร็จลนะ้ เม mm hmm> ื่อมันหลอกเราด้วยการร้องเพลงสําเร็จนัมันจะร้องไม่เลิกเลยให้เราคลุ้มคลั่งก็คือดูไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องพยายามทําสมถากดมันทําสมถะไม่ลงหรอกนะจิตของคุณมันเป็นพวกคิดมากมันไม่รวมง่ายหรอกคือบางทีไปกดมันก็ไม่ไหวหรอกคือบางทีหนูก็สงสัยอะค่ะว่าทําสมถาน้อยเกินไปหรือเปล่าคือมัน บางทีมันรู้แล้วมันไม่ดับแล้วมันทรมารมันแับเราอย่าไปดูเพื่อให้ดับเราดูเพื่อให้เห็นว่ามันทำงานได้เองต้องต้องอย่าให้ผิดวัตถุประสงค์ของการดูนะไม่ใช่ดูเพื่อให้ดับเรารู้ขันเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าขันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เพื่อบังคับขันจิตมันจะร้องเพลงเนี่ยขันมันจะทางานสังขารมันจะปรุงเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะบังคับมันห้ามปรุงเรื่องนี้จงปรุงแต่เรื่องนี้ห้ามไม่ได้ เพราะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะอยู่เนื้อขันแต่เพื่อให้เห็นว่าขันที่มันทํางานนะั้นมันทําเองไม่ใช่ตัวเราอย่าผิดวัตถุประสงค์นะไม่งันเสียเวลาอาคนอื่นยกมือทางนี้ยกมืออยู่ะส่งมาส่งมากราบน้ำมาสการหลวงพ่อคะ่ะวันนี้ลินพาคุณแม่มาคุณแม่ปฏิบัติแล้วมีคําถามสงสัยอะคะ่ะอยากให้หลวงพ่อเมตตาช่วยแนะนำ ด, ด, ด้วยคะ่ะช่วงนี้วันครอบครัว <laughs> ไหนคุณแม่เค็นแม่ คือหลวงพ่อฮะดิฉันเพิ่งเคยปฏิบัติฮะแล่ไม่ทราบว่าปฏิบัติถูกหรือเปล่ายมรู้ทันใจตัวเองไหมสังเกตใจเราไหมเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์บางทีก็เฉยเฉยเป็นค่ะนะต่อไปนนี้นะให้กันบ้านค่ะถ้าใจเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขใจเรามีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์ใจเฉยเยรู้ว่าเฉยเฉยคอยรู้ไปเรื่อยเรู้เล่นเล่นไปทั้งวันเลยนะค่ ะ, ะแค่นี้พอละ แค่เนี้ยฝึกได้ทั้งชีวิตละเชิญยกมือนุน่นน่นยกมืออยู่ข้างหลังนุ่นสีชมพูลกไปข้างหลังกลับนมัส ก, การพระอาจารย์ตอนนี้รู้สึกแบบจะแน่นๆนอะไรเงี้ยสงสัยจะอยากปฏิบัติมากไปหน่อยใช่ที่คุณดูอยู่ใช้ได้แล้วนะจิตของคุณมันตื่นแล้วคุณรู้ไปเรื่อยเรอยส่วนบางวันเนี้ยมันจะไปเพ่งไปจ้องอะไรนะห้ามมันไม่ได้หรอก ค่ะแล้วนิยมสงสัยว่าเราจะต้องทําในรูปแบบมากน้อยแค่ไหนอะไรเงีย้ยพยายามเคลื่อนไหวไว้นะกระดุกกระดิกเดินจงกรมอะไรเงี้ยเคลื่อนไหวไว้เคลื่อนไหวบ่อยๆถ้าเดินเมื่อยแล้วก็เนี่ยร่างกายพยักหน้าอะไรเงี้ยคอยรู้สึกไปเรื่อยแต่ไม่ใช่จ้องนะไม่ใช่เพ่งไม่ใช่จะพยักหน้าก็เพ่งอย่างนี้นะเนี่ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะอย่างนี้แกล้งทํา ให้มันเป็นธรรมชาตินะธรรมะเนี่ยเรื่องธรรมดาอาเชิญยกมือคนนิ้นยกก่อนพระอาจารย์ค่ะยู่ยมพระอาจารย์ช่วยมีคุณแม่ด้วยเหรอใชอว่าไปวันครอบครัวว่างกับันรติดีอาจารย์กับมาตรการแต่ฟังติดดีอาจารย์ทุกวันเละดีสิแต่ก็รู้นะแต่ก็ไปดวดไม่รู้มันจะถูกก็เปล่านะ ถูกสิฟังทุกวันนะฟังทุกวันแล้วยมรู้สึกไหมลูกเราแต่ละวันนี้น่ารักไม่เท่ากันรู้สึกไหมรู้อ๋อเนี่เห็นไหมพาวนาเป็นแล้วบางวันก็น่ารักบางวันก็น่าหยิกใช่<อ> <laughs> นี่นแหละเรารู้ทันความรู้สึกของเราเรื่อยๆอยันนี้ใช้ได้นะอ้าไปเท่านั้นยกมืออยู่ การนมัสการค่ะหลวงพ่อคือเมื่อกี้ไม่ผ่านมาก็จะรู้สึกตัวว่าครั้งแรกเนี่ยคืออยากถามแล้วพอผ่านไปไม่ได้ถามก็จะรู้สึกว่าเออเหมือนไม่ได้รู้สึกิตใจแต่พอครั้งที่สองที่ที่ได้ถามเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจิตใจสบายขึ้นนะคะส่งกันดีแล้ว ล, ะ <ๆ S 2> ล่วละค่อยรู้ไปน ะ, ะรู้ไปเรื่อยๆดีแล้ ว, ลวนะคะถูกแล้วอย่าขี้เกียจนะไม่ใช่ทำชั่วครั้งชั่วคราวนะต้องทําไปเรื่อยๆค่ะ คือถ้ามามาอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อจะรู้สึกว่าจิตใจรู้ตัวดีกว่าเวลาอยู่ที่บ้านเลยจะไม่ยังก็มีเวลาเข้ามาบ้างนะบางคนเขาก็เรียกว่ามาชาร์จแบตแต่บางคนแบตเสื่อมนะชาร์จเต็มแล้วพอออกนอกก็หน้าวัดก็แบตหมดละขอบพระคุณค่ะไปส่งไปข้างหลังหน่อยกรามนมัสการค่ะเวลาหลงไปอ่ะ ปวดหัวเลยค่ะหลวงพอ่อพอเวลารู้ตัวก็จะหายเป็นบางครั้งที่กลัวค่ะขนาดเนี้ยขนาดเนี้ยรู้ตัวไหมตื่นเต้นตื่นเต้นอย่าไปกดมันตื่นเต้นไม่เป็นไรอย่าไปข่มใจให้นิ่งตื่นเต้นแล้วรู้ไปเห็นมันตื่นเต้นดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยเห็นไหมการปฏิบัตินะเพื่อละความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรามันตื่นเต้นไม่ใช่เราตื่นเต้น มันโกรธไม่ใช่เราโกรธ ด, ดูอย่างนี้เรื่อยๆนะค่ะใครจะยกมือเชิญข้างหลังไปข้างหลังก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาข้างหน้าเดี๋ยวจะสุดห้องละนวัตสกานพระอาจารย์ครับออขอโอกาสส่งกันบ้านครับคราวที่แล้วที่มาพระอาจารย์ให้ผมไปแยกรูปว่านามก็คือปฏิบัติในรูปแบบหครับพระอาจารย์ก็ดูความคิดดูกายดูกายมันหายใจฮะ มีวันนึงว่ามันฟุ้งซ่านก็ดูความฟุ้งซ่านครับอยู่ดีเหมือนไฟมันดับปุ๊บแล้วก็สว่างขึ้นมาใหม่เอก็ดูมันต่อฮะอืมถูกต้องอันนี้เรียกว่าสันติบรนขาดหรือเปล่าใช่สันตติมันขาดแล้วต้องปฏิบัติยังไงต่อไปก็ปฏิบัติอย่างนี้แหละขอบพระคุณครับใช้ได้แล้วน่าสันตติขาดแล้วสันตติขาดเนี่ยขึ้นวิปัสสนาแท้ๆแล้วไปส่งไปข้างหลังใครยกมืออยู่นั่นข้างหลังข้างหลังไปก่อนนะเหลือสองคนข้างหลังครับนรมาสการพระอาจารย์ครับ มาครั้งแรกนะครับฟังซีดีพระอาจารย์มาประมาณ2เดือนนะครับอยากถามพระอาจารย์ว่าเริ่มรู้สึกตัวเป็นหรือยังครับทที่ําอยูหลวงพ่อถามก่อนเห็นกิเลสไหมก็เห็นอยู่บ้างครับโกรธบ่อยไหมก็โกรธบ่อยครับแต่ว่ายิ่งเห็นบ่อยยิ่งดีนะครับแล้วไงเราที่ทําอยู่นี้ถูกหรือยังถูกสถ้าเห็นกิเลสล้วถูกนะถ้าทำแล้วเห็นแต่ว่าเราเป็นคนดีทราทำผิดแน่เลย เพราะแต่ละคนในะความจริงเราร้ายร้ายร้ายกว่าที่คิดเยอะเลยเพราะฉะั้นถ้าเราภาวนาแล้วเราเห็นโู้กิเลสเยอะแยะนะแสดงว่าเราภาวนาเป็นแล้วไม่ได้เก็บกดเอาไว้เฉยๆถ้าเก็บกดแล้วไม่เห็นกิเลสออกเราไม่ทราบว่าจริลุเป็นแบบไหนอะ่ะเพราะคุณ <บน S 1> คิดมากอยู่แล้วนะเพราะฉนั้นคุณดูจิตไปเลยถูกเจริตอยู่แล้วส่งไปงข้างหลังอีกข้างหลังส่งกันบ้านครับรตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกตัวบ้าแบบ เวลารู้ขึ้นมาแต่ละทีเหมือนน้ำเนี่ยหยดลงดินนะครับแล้วค่อยสร้างทำเหมือนกันไปเรื่อยๆถูกไ่มครับหยดทีแรกแทบเดียวหายไปแล้วนะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะจนเอาให้น้ำท่วมแผ่นดินเลยเปนพยามารอยู่ไม่ได้เลยคขอบคุณครับ กล่าวนมัส ก, การค่ะหนูก็รู้สึกตัวว่าแค่รู้กับหลงแล้วก็เวลามีโทรศส์ขึ้นมาค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนะคะแล้วก็เวลาที่ปฏิบัติในรูปแบบอะค่ะเวลาเดินจงกลมเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนใจลอยๆหนูก็ไม่แน่ใจว่าเหมือนรูปมันเดินไปแล้วก็ตัวเองก็รู้อยู่แต่ไม่รู้ว่ารู้จริงหรือเปล่าอะค่ะรู้รู้นั้นไม่ใช่รู้แบบใจลอยลอยนะมันรู้เบาๆก็จริงนะแต่ไม่เลื่อนลอย อย่ารู้เบาๆรู้อยู่สบายๆรู้เหมือนอยู่ห่างๆาร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตใจที่รู้อยู่ส่วนหนึ่งแต่ไม่ไม่ได้แกล้งเบาผิดธรรมชาตินะหลวงพรอทําหน้าให้ดูมองเห็นไหมเดี๋ยวจะทําให้ดูนะเนี่ยเบาผิดธรรมชาตินะค่ะเนี mm ่ย hmm. แล้วก็เดินไปงี้นะคล้ายๆใช้ไม่ได้นะเหมือนคนละเมออย่างนั้น mm hmm. นะแต่ว่าใจเราเบาๆเดินไปอย่างสบายๆรู้สึกไปนะใช้ได้ ครับขอบพระคุณครับส่งมาข้างหน้ามาข้างหน้ากรรมนมัสการหลวงพ่อครับอาว่างไงผมผมช่วงที่ผ่านมาผมคิดว่าผมแทรกแซงสภาวะน้อยลงแล้วก็รู้สึกมีมีภาระน้อยลงครับใช่ถูกต้องแล้วนะใจมันตื่นขึ้นมาแล้วใช้ได้ดีแล้วนะดีแล้วครับขอบคุณครับมีปีติก็รู้เป็นไรก็รู้ไปนาะส่งมาข้างหน้ามาข้างหน้ายกมือไว้ยกมือไว้ น, นันะ่นนวมัสการหลวงพ่อครับ วันนี้ผมก็พาค wow ah ุณแม่มาเหมือนกันครับอยากจะให้หลวงพ yeah. ่อช่วยสอนแนะนำคุณแม่ด้วยครับคุณแม่นั่งอยู่ทางโน้นฮะเดี๋ยวหลวงพ่อถามก่อนมีใครพาแม่ยายมาบ้างไหมเสื้อขาวะครับไหนไหนยกมือซิมาคุณแม่คุณแม่ยกมือหน่อยคนไหนอ๋อนี่เหรอเสื้อขาวครับให้ฟัง c ีดีเยอะ ฟังไปเรื่อยๆนะครับตอนไหนเขาอารมณ์ดีก็เปิดให้ฟังถ้าเขารําคาญอย่าไปเปิดนะแล้วฟังไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งใจจะตื่นขึ้นมาครับขอบพระคุณครับอาส่งมานี่ลูกกัตันยูคนนี้ของตัวงไม่ได้ถามน้ำมัสมั่พระอาจารย์เจ้าค่ะมาส่งกันบ้านเจ้าค่ะคราวที่แล้วที่ส่งกันบ้านพระอาจารย์ไปเสร็จแล้วกลับไปมันก็เสื่อมเจ้าค่ะมันดูไม่ไม่รู้เรื่องอะค่ะฟุ้ง แล้วก็พยายามปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็มีวันหนึ่งคือนั่งปฏิบัติไม่ค่อยได้อะค่ะเวลานอนแล้วมันถึงจะมีสติรู้จนมีวันหนึ่งเนี่ยมันอยู่ๆมันก็เห็นนะเจ้าค่ะว่าสิ่งที่เป็นกิเลส ข, ของเราทั้งหมดเนี่ยมันซ้อนค่ะมันซ้อนตั้งแต่มีอัตตาตัวตนโมหะความอยากได้อย่างมีอยา่างนี้แล้วตบท้ายด้วยโทสะข้างบนเหมือนขนมชั้นขึ้นมาเป็นชั้นๆเลยอ่ะเจอถูกต้องนะ แต่เดิมเนี่ยมันมีโมหะก่อนต่อมาก็เกิดโลภะแล้วก็เกิดโทสะเป็นชั้นๆเลยใช่ค่ะแล้วมันเห็นเหมือนกับว่าบางทีที่เรารู้เนี่ยเจ้าค่ะมันเหมือนกับรู้ไม่หมดนะเจ้าค่ะมันเหมือนกับเหมือนประตูมันเปิดแง้มแต่มันแง้มไม่เห็นข้างในทั้งหมดนะเจ้าค่ะให้ให้เรารู้ทันความรําคาญใจของเราที่อยากแง้มให้หมดนะให้รู้ทันตัวนี้ไปตอนนี้ญาณทัศนะเราอย่างน้อยมันแง้งมแ้มนิดเดียว ยังแง้มไม่หมดถ้าแ ง, ง้มหมดแล้วก็ออกไปนอกประตูเลยแต่ตอนนี้ยังออกไม่ได้รู้สึกไหมเหมือนถูกขังอยู่รู้สึกเจ้าค่ะ อ, อึดอัดทนไปก่อนนะรู้ไปเรื่อยวันหนึ่งเราจะเป็นอิสระเราเปิดประตูออกไปได้จะเรียนถามหลวงพ่อนิดนึงอะเจ้าค่ะว่าถ้าเกิดสมมติเรานั่งไม่ค่อยได้แล้วมันเป็นลักษณะของการนอนได้ดีกว่าอย่างนี้จะทายัางไงเราก็นอนสิ <c oughs> อิริยาบถไหนทําแล้วกเกิดสติแล้วก็ทําอิริยาบถนั้นแนหะแต่ต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะ าบางคนมันขี้เกียจแล้วบอกว่านอนแล้วดีอะไรงี้ยแต่ถ้าเรานอนแล้วสติเกิดดีเห็นร่างกายมันนอนพลิกไปพลิกมาเห็นจิตมันแอบไปคิดเห็นจิตมันแอบไปทํางานนอนแล้วเห็นชัดเราก็นอนเอานะขอบพระคุณเจ้าค่ะอาส่งมาข้างหน้าเดี๋ยวหน้าข้างหน้าสุดเนี่ยต้องอีกนานกล่าบหลวงพ่อครับคือตอนนี้ผมรู้สึกว่า จิตมันเป็นกลางมากขึ้นนะครับแมันดูอย่างสบายมากขึ้นครับเออดูอย่างสบายแล้วขนานี้รู้ตัวเต็มที่ไหมรู้สึกว่าจิตมันไม่ถึงฐานหรือเปล่าครับใช่จิตไม่ถึงฐานมันเจ้าออกไปข้างนอกนะมันออกไปข้างหน้ามันเจ้าออกไปดูออกไหมรู้สึกมันรู้อยู่บนบนอ่ะอ่มันอยู่ห่างๆางออกไปนะมันไม่ทวนเข้ามาหาจิตหาใจเราเองเราให้รู้ทันมันทาได้หลายแบบอันนึงให้รู้ทันว่าจิตมันเจ้าออกไป อันที่สองถ้าทำสมาธิได้ก็ทำสมาธิเข้ามาถ้าจิตมันมีสมาธิมันจะรวมเข้ามาถ้าทำสมาธิไม่ได้ให้รู้ว่าเจ้าไปเราที่เห็นกระดับนี่คือสันตติมันขาดเลยป่ะครับใช่สิมาครับอันนี้คือขึ้นภาวนาเฮ้ยขึ้ น, นอย่า<ค>ใจร้อนสิบางคนก็เห็นสันตติขาดนะขาดเป็นช่วงๆบางคนเห็นคณะคณ ะ, อะคอรลังหนอนหนู คือกลุ่มก้อนของสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวเราเนี่ยแตกกระจายออกเนี่ยไม่ได้ว่าเห็นเหมือนกันทุกคนหรอกนะเพราะงั้นเห็นคนอื่นเขาสันตติขาดเราไม่ขาดก็ได้เราเห็นว่ากายก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งนะสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ส่วนหนึ่งแต่ละขันธ์ก็ทํางานของตัวเองไปไม่มีเราสักอันเดียวดูอย่างนี้ก็ได้ครับนะก็คือเพิ่มสมถะได้ก็ทําไปครับระวังติดก็แล้วกันนะระวังติดเพ่งนะของคุณมีโอกาสติดเพ่งอยู่ แต่ว่าพอเลิกทําสมถะไฟมือเลยฟุ้งซ่านมากไปนิดนึงกระจายไปนิดนึงขอบคุณมากครับส่งไปข้างหลังถา้าวของกันบ้านนรมาสการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ถาา้าวเป็นธรรมดาไหมวันนี้กายมันง่วงเจ้าค่ะ อ, อแต่เข้าใจว่ารู้ตัวออมันรู้แบบง่วงๆใช่เจ้าค่ะเพราะวันนี้ตื่นเช้ามาแล้วก็มันดีตรงที่จิตมันไม่ดิน้น เจ้าค่ะนะมันดีตรงนี้แหละมันง่วงมันซึมนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะถ้าจิตมันรู้อยู่แต่มันไม่ดิ้นรนมันใช้ได้นะเป็นกลางเจ้าค่ะเขาเข้าใจ ว, ว่ามันนิ่งนิ่งมันนิ่งนิมันนิ่งไม่ได้นิ่งซื่อบื้อแต่มันนิ่งเป็นกลางเจ้าค ja> ่ะนิ่งซื่อบื้อกับนิ่งเป็นกลางไม่เหมือนกันเจ้าค่ะเป็ดมีอะไรไหมเป็ดไม่มีเป็ดเก่งนะวันนี้ตื่นมาได้ นี่เมื่อก่อนช่วยหลวงพ่อเยอะเหมือนกันตานอยู่ในทางโลกนะเป็ดอ้าวส่งมาข้างหน้าข้างหน้ามัสการหลวงพ่อครับคือผมเพิ่งเริ่มปฏิบัติโดยการดูจิตนะครมาประมาณสามเดือนนะครับช่วงแรกนี่จะจะดูดูจิตว่าเห็นความโกรธความโลภอะไรพวกนี้จะเห็นชัดเลยนะครับพอป ฏ, ปฏิบัติมาสักระยะนี่มันมันเหมือนว่ามันมัน มันดูยากอะมันดูยากขึ้นเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับมันละเอียดขึ้นนะฮะอย่างแต่เดิมเนี่ยกิเลสมันหยาบหยาบนะมันดูง่ายะะอย่างแต่เดิมโกรธใช่ไหมโกรธขึ้นมาเรารู้ว่าโ <จะ S 2> กรธชัดเลยอนะตอนนี้มันไม่ทันจะโกรธใหญ่ๆเลยมันขัดใจเล็กๆเราก็ไปเห็นแล้วมันก็เลยดูไม่ชัดเท่าแล้วแล้วจะแก้ไขยังไงดีไม่ต้องแก้นะดูเรื่อยๆไปชัดบ้างไม่ชัดบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างนะฝึกไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ใช่ติดหลงใช่ไหมครับอะไรนะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าติดหลงใช่ไหมครับ ไม่ไม่ได้หลงนะนะรู้สึกเลยได้เพีงแต่ว่ากําลังของสมาธิของคุณมันน้อยไปนิดนึง <Okay. S 2> แค่ว่ามันทําอะไรไม่ได้หรอกก็ <Okay. S 2> แค่รู้ว่ามันไม่ชัดรู้ว่าอยากรู้ให้ชัดรู้อย่างนี้ปนไปเลยาก ร, รู้ว่าอยากรู้ให้ชัดนะ <Okay. S 2> เพราะว่าถ้าทําทตามสูตรเนี่ยถ้าคุณเป็นพระป่านะก็ต้องทําสมาธิเพิ่มขึ้นนิดนึงให้ใจมีแรง oh, แล้วมัน <hey. S 2> จะดูได้ชัดขึ้นให้ทําสมาธิเพิ่มนะ แต่ของคุณเคยทำไหมหลวงพ่อ ก, <ม>กลัวเสี่ยงว่าเดี๋ยวจะไปติดสมาธิผมก็กลัวฮะอเออ ถ, ถ้าถ้ากลัวก็อย่าเพิ่งทำ <c oughs> ถ้ากลัวก็แค่รู้นะแค่รู้ว่าอยากจะรู้ให้ชัดเมื่อไรที่เรารู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงรู้ไอ้ตัวที่กำลังมีอิทธิพลมากที่สุดที่กำลังบงการพฤติกรรมเราเนี่ยถ้าเรารู้ตัวนี้ปั๊บแล้วถูกต้องนะใจเราจะตื่นขึ้นมาเลยจะมีแรงขึ้นมาอีก เรียกว่าใช้ปัญญานำสมาธิน ะ, ะส่งมาข้างหน้ามาข้างหน้าครก็มีปัญหาจะเรียนถามหลวงพ่อนิดนึงครับว่าระหว่างโมหะกับอุเบกขาเนี่ยนะฮะถ้าเราจะดูเนี่ยเราจะดูยังไงเพราะว่าอุเบกขาก็คือการที่เราไม่สุขไม่ทุกข์นะก็คืออยู่เฉยๆโมหะก็คือการที่เราไม่โกรธไม่หลง ไม่ใช่ในขณะที่มีโมหะอาจจะโกรธก็ได้หลงก็ได้โมหะเป็นภาวะที่เราไม่รู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏอยู่เรียกว่าโมหะทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นในขณะที่เรามีอุเบกขาเรารู้ว่ามีอุเบกขาเรียกว่าไม่มีโมหนะในขณะที่เราโกรธอยู่เรารู้ทันว่าโกรธขึ้นมาปั๊บเนี่ยเรียกว่าไม่มีโมหลนะล้โมหะดับความโกรธก็จะดับไปด้วย ในขณะที่กำลังโมโหอยู่นะใจเรากำลังพุ่งใส่คนอื่นเขาอยู่จ้องไอ้คนที่ทำให้เราโกรธอยู่อย่างเราขับรถอยู่แล้วมันปาดหน้าเราไปจ้องใส่มันอยู่นะกำลังโกรธอยู่ไม่รู้ว่าโกรธอยู่เรียกว่ามีโมหะนะงั้นโมหะคือการที่จิตเนี่ยไม่สามารถจะรู้สภาวธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้ถ้าจิตรู้สภาวธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงได้เรียกว่าปัญญางั้นสิ่งที่ตรงข้ามกับโมหะคือปัญญานะ า่านหน้นมาสการค่ะหลวงพ่ อ, อ, อระหว่างภ า, าวนามันตกหลุมเดิมๆอะค่ะแล้วก็ไม่ทราบาว่าินยาอย่าไปบังคับมัน็นยาบังคับมากไปรู้สบายๆอย่าไปบังคับมัน อ่ะส่งไปส่งไปไปถึงไหนละหลวงพ่อครับ oh. น้ไม้ออกจากบ้านวันหนึ่งอะครับออกจากบ้านแล้วหมามันเห่าเมืงยลาคาญแล้วก็หลุดทางวาจาไปครับให้ด่าหมาเหรอว่าว่าจะเห่าทำไมแล้วแล้วมันเถียงไหม <laughs> มันไม่เถียงมันได้เถียงเหรอ <laughs> <laughs> ดีนะ ลำคาญหมาารู้ว่าลำคานนะอ่ันรู้ไปอายุเท่าไหร่คนนี้รู้ลำคาญครับแต่ว่าหลุดทางวาจาไปหลุดไปแล้วก็แล้วไปทีหลังเราอย่าหลุดกีนแล้วกันหมามันไม่ชอบนะหมามันก็ชอบให้ชมหมามันก็ฟังรู้เรื่องนะอย่าไปว่ามันเดี๋ยวมันเสียใจอยากเรียนปรึกษาเพอนิดหนึ่งครับคือช่วงนี้รู้สึกว่ามันมันติด ว่างติดนิ่งผมเลยไม่แน่ใจว่าใช่ครับผมไม่ใช่เป็นการเพ่งใช่ไหมครับไม่ใช่มันเป็นติดอยู่ครับใจมันซึมไปครับมันไม่แอคทีฟครับนีทีนี้ในสภาวะนั้นผมพยายามที่จะหาสภาวะมาเพื่อที่จะให้ออกจากความติดไงลองไปสมัครอยู่บุญยาวาดบ้างครับกระตุ้นดีนะภาวนาแล้วเดี๋ยวงูก็เลื้อยมาเนี่ยหลวงอาเคยอยู่บุญยาวาด มีวันหนึ่งเห็นงูมันเลื้อยมาหนึ่งตัวกออออ็งูส่วนงูเราส่วนเราลืมตาอีกทีแนละ้วมันมาใกล้กว่าเก่าอีก <c oughs> เลยโดดขึ้นบนแคร่งูงูก็ไปทางคนก็ไปทาง <c oughs> เนี่ยอย่างนี้ใจตื่นตัวดีนะเอาอาจารย์ว่าไงอาจารย์ส่งมาข้างหน้าหน่อยวัการหลวงพ่อครับมาส่งกันบ้านครับ สเดือนที่แล้วหลวงพ่อก็ชมไปว่าใช้ได้แต่ตอนนี้ไม่ทราบเพราะว่า3มเดือนที่ผ่านมานี่ก็กระท่อนกระแท่นพอสมควรยังใช้ได้อยู่นะงแต่ว่าใจไม่ตั้งมั่นในขณะ น, นี้ไม่ตั้งมั่นดูออกไหมมันเป็นสบายสบายอยู่ข้างนอกรตรงที่ใจสบายเนี่ยใช้ได้แต่ไปสบายแต่ไปอยู่นอกๆเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วจะต้องแก้ยังไงครับให้รู้ทันให้รู้ทันว่าใจไม่ถึงฐานรู้สึกไ้มมันเหมือนอยู่นอกๆ เหมือนทวนเข้าหาตัวรู้ไม่ได้ทวนเข้าหาจิตไม่ได้ใช่ฮะมันมันไม่ค่อยเห็นนะช่วงนี้อ่มันมันไม่เข้ามาเพราะว่าอะไรเพราะมันไปเพลินอยู่ข้างนอกแล้วมันไปมีความสุขอยู่วิธีการอีกอานหนึ่งก็คือพออาจารย์มีความสุขนะใจมันว่างๆอยู่มีความสุขเนะี่ยให้อาจารย์รู้ว่าพอใจอยู่เราพอใจในความสุขความสงบของจิตนี้อยู่พอรู้ทันสภาวะถูกต้องแนละเป๊ะมันจะเข้ากลางพอดีเลยกลางเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องถอยเข้ามาอยู่ตรงกลาง กลางเนี่ยหมายถึงรู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงนะม่ก็กลางอยู่ตรงนั้นเลยตรงนี้ฟังยากนิดนึงมันเป็นเรื่องคุลมิติกันไม่ใช่มิติทางวัตถุพวกเราคิดว่ากลางเนี่ยต้องอยู่กลางหน้าอกหรืออยู่ที่ท้องอยู่ที่สะดือเหนือสะดือสองนิ้วต้องอยู่กลางหน้าผากอะไรเงี้ยนั่นไม่ใช่กลางนั่นกลางแบบสมถะนะกลางแบบวิปัสสนาคือรู้สภาวะตรงความเป็นจริงนะแล้วจิตใจก็สักว่ารู้สักว่าเห็นเป็นกลางอยู่ อย่าตอนนี้หนีไปคิดซับไหมนะครับรู้สึกไหมมันอยู่นอกๆมันครับให้รู้ไปอย่างเนี้ยถ้าใจใจไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจเราจะกลับเข้ามาเองแหละมันมาเองถ้ารู้สภาวะนะอันนี้เกิดเพราะว่านั่งสมถะเยอะไปเนะมันสบายไปมันบางครั้งก็สบายแต่สบายแล้วมันติดสบายนะมันเพลินไป ให้รู้ทันไงที่หลวงพ่อบอกให้รู้ทันราคาที่เกิดขึ้นครับอย่างนั้นเดินเดินจงกรมจะดีกว่าดีสิเดินจงกรมดีทั้งนั้นแหละอ้าวจอยวันนี้จะก็พาคุณพ่อกับคุณแม่มาด้วยค่ะแม่อยู่ด้านขวานี่คุณแม่เหรอแล้วคุณพ่ออะไคุณพ่ออยู่ด้านซ้ายที่นั่งค่ะขอหลวงพ่อแนะนํานิดนึงคุณแม่ชอบถักโคเชค่ะถักโคเชเหรอระวังปวดหลังนะ ถักโคเชไปก็ได้ถักไปแล้วก็เห็นนะร่างกายมันทำงานไปเรื่อยรู้สึกไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวไปเวลาเราถักลายซ้ำๆนะมันไม่ต้องคิดนีใช่ไหมเราก็แค่รู้สึกไปเห็นร่างกายมันทำงานเราดูร่างกายทำงานเหมือนเห็นคนอื่นมันนั่งถักโคเชให้ดูดูตัวเองเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยของคุณพ่อน่าใจชอบคิดใจหนีไปคิดบ่อยๆให้เรารู้ทันเวลาใจแอบไปคิด ของคุณพ่อจะคิดเก่งกว่าคุณลูกอ่ะเข้ามาชาร์จแบต4วันแล้วคะ่ะรู้สึกว่าแบตมันเออแบตค่อนข้างเสื่อมเสื่อมเสือมมากเลยจ้ะคะ่ะก็เลยอยากจะข อ, อการบ้านหลวงพ่ อ, ไ ป, อไปกลับไปสงสัยจะแย่ถ้าเ จ, <ะ S 2> จ<ะ>ริญก็ปฏิบัตินะเสื่อมก็ปฏิบัติจเจริญแล้วดีใจก็รู้เสื่อมแล้วเสียใจก <twee S 1> ็รู้ ท่านนั้นก็พอแล้วมันชอบอินนะคะอย่างวันนี้เจอพี่สาวพี่เคยก็อินเพลินไม่รู้ตัวเลยอะค่ะแล้วถ้าสมมติเราไปรูปแบบจะช่วยได้ไหมคะหลวงพ่อหรือว่ามันจะเปติดสมถะเดินจงกรมบ้างเลยรบ้างเดินจงกรมบ้างจะช่วยได้ใช่ไหมได้นะอ้าวนเจียมอ้าคุณสุเมศก่อนก็ได้เอาครับภาคนี้โมหะเยอะครับแล้วก็รู้สึกมันดูไม่ค่อยถึงฐานใจมันกระจายไปนะไม่ถึงฐานครับ จิตมันมีโมหะใจกระจายรู้สึกไหมเราใส่หมวกกันน็อกไว้เหมือนเลยครับหลวงพ่อนั่นแหละใส่หมวกกันน็อกอยู่นะให้รู้ทันครับแล้วแค่รู้ทันมันพอหรือครับพอสิจะเอาอะไรอยากได้อะไรไม่ว่าเราไปรู้อะไรนะเห็นมันทำงานของมันเองเห็นมันไม่ใช่เราเท่านั้นก็พอแล้วนั่นแค่รู้ทันนะว่ามันไม่ใช่เราก็พอแล้วาส่งไปทางนี้หน่อยทางนี้เอานะเจียมยก ขออีกนิดนึงครับพี่ต้อยฝากกราบหลวงพ่อครับพี่ต้อยองค์การโทรศัพท์อะครับผมว่าไม่สบายครับแล้วหลวงพ่อก็ป่วยเรื่อยๆแหละมันธรรมดานะสังขารกราบนมัตรการค่ะเมื่อวานนี้ปฏิบัติอยู่นะคะมันเห็นจิตไหวไหวฟังซีดีหลวงพ่อไปด้วยค่ะเห็นจิตมันไหวไหวลักษณะมันเหมือนเป็นขึ้นๆในจิตนะคะแล้วก็ก็ดูมันอยู่นานก็ก็ไม่หายก็เลยไม่ไม่ไม่ดูให้หายค่ะ ก็ก็ทราบอยู่คือคือระหว่างฟังซีดีก็ก็สบายสบายก็เลยดูลมตอนแรกดูลมก็อย่างเรื่อยๆก็นี้ก็ลองยกมือสร้างจังหวะตนะเนี่ยระวังนิดเดียวเวลาดูลมอย่าให้เคลิมไปไม่ไม่เคลิมค่ะอย่าให้เคลิมค่ะเพราะเพราะว่าสรฟังเจาะอยูสร้างเล่นๆค่ะตั้งตั้งจังหวะอยู่คือตอนแรกเนี่ยเวลาที่อยู่พุทธมนตรนะคะเวลาสร้างจังหวะเนี่ยให้ลืมตาฮะ เราก็จะเห็นคนข้างๆซ้ายขวาเนี่ยก็รูปแบบต่างๆกันนะคะแต่ครั้นี้เวลามาทําเนี่ยก็หลับตาแล้วก็จะดูเห็นความเคลื่อนไหวของกายค่ะก็จะรู้สึกเนี่ยค่ะพอทําไปเนี้ยเกือบชั่วโมงไออาการอันนั้นมันหายไปก็ก็ก็ที่เราเราไม่ได้ดูเพื่อให้อะไรอยู่หรือให้อะไรหายนะส่วนว่าเราไปเห็นสภาวะที่ไหวๆขึ้นมาในหน้าอกมันไหวขึ้นมา เราก็สักว่ารู้สักว่าเห็นไปสิ่งที่ต้องระวังมีอันเดียวก็คืออย่าถล่มลงไปดูดูห่างๆนะแล้วถ้าไหวๆ ไ, ไปพักหนึ่งจิตเราลาคาญขึ้นมาอะไรหน้าหน้าลาคาญหรือจิตเกิดสงสัยขึ้นมาก็รู้ว่าลาคาญหรือว่าสงสัยอาศัยรู้สภาวะทั้งหลายทั้งปวงเพื่อจะมารู้ทันจิตนั่นเองแต่แล้วมันก็พอพอเห็นภาวะที่มันโล่งนี่มันก็จะเบาสบายไปคะนะเรายินดีเราก็รู้ทัน นะก็ตอนเย็นก็ไปเดินจงกลมก็ก็ก็รู้รู้ตัวตีอฮะเอาไปทางนี้บ้างใครนะยกไว้กลุ่มน่ะถอยไปเบอร์ห้าสิบเจ็ดก่อนไปกราบนรมัสการพระอาจารย์ค่ะคื อ, อหนู ปฏิบัติตามรูปแบบไม่ค่อยได้อ่ะคะ่ะตอนถ้านั่งสมาธินี่ไม่ได้เลยจะรู้สึกกวนกระวายไม่งั้นก็หลับไปเลยอ่ะคะ่ะก็จะบังคับตัวเองเดินจงกรมวันละ5นาทีเป็นอย่างน้อยอ่ะคะ่ะก็ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าแล้วน้อยเกินไปไหมะะถูกสิแต่ว่าทุกครั้งที่เราเดินนะไม่ใช่เดินจงกรมตอนทําตามรูปแบบเท่านะั้นทุกครั้งที่เราเดินเนี่ยคอยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆ ทุกครั้งที่ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปเรื่อยมันจะได้เป็นการปฏิบัติทั้งวันแล้วคือหนูจะรู้สึกมีความสุขมากกว่าในการดูจิตระหว่างวันนะคะแต่ว่าก็าก็ดูร่างกายไงเราเดินเดินเหมือนเดินจงกรมอ่ะแต่ยังเดินที่ทจอดรถขึ้นมาบนนี้นะเราก็เดินเหมือนเราเดินจงกรมอ่ะเดินรู้สึกตัวมาเรื่อยนะเวลาเราจะไปช้อปปิ้งเราก็เดินรู้สึกตัวไปเรื่อยแต่เดินข้ามถนนต้องระวังนะ อย่าไปเดินสัมรวมนะเดี๋ยวรถเหยียบเราแล้วคือต้องเพิ่มสมถะไหมคะเพิ่มยากนะเพิ่มยากเพราะฉะนั้นกระดุกกระดิกไว้แล้วคอยรู้สึก mm hmm. กระดุกกระดิกแล้วรู้สึกนะ mm hmm. เดี๋ยวสมถะจะเกิดเองเราเวลาดูจิตระหว่างวันนะคะก็เวลาเห็นเออมันจะเห็นไม่ชัดอะคะ่ะนั่นแหละคุณเริ่มาดูกายไว้ก่อน mm hmm. นะพอมีกําลังแล้วมันจะเห็นจิตชั ด, ชดนะให้มารู้กายเมื่อกี้พยักหน้านึกออกไหมค่ะ mm hmm. รู้สึกไหมจิตตื่นขึ้นมาเห็นไหมพอรู้ว่าเมื่อกี้พยักหน้าปุ๊บจิตก็จะหลุดออกมาจากโลกของความคิดจะตื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นของคุณรู้กายไว้บ่อยๆนะค่ะขอบพระคุณค่ ะ, ะส่งมาด้านหน้ามาเหลืออีกสองสามคนในเวลาเจ็ดนาทคีครับก่าวธรรมศัการหลวงพ่อครับ ต, ตอนนี้ผมสภาพจิตเป็นไงบ้างครับ<ห> <laughs> มาถามหมอท็อปเนี่ <laughs> เราถามหมอท็อปสิมาถามอะไรหลวงพ่อจิตเป็นยังไงเล่าไปตอนนี้เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนั่นนอนไม่ค่อยหลับครับก็สัตว์มันเหมือนก็เหมือนเหมือนกับไปเพ่งแต่มันก็ยังไงกับมันก็ไม่หลับครับเออตอนนี้ยังเพ่งอยู่เลยรู้สึกไหม บ, บังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ยอมรับสภาพซะ ว, ว่ามันจะเพ่งมันต้องทุกนะยอมรับสภาพซะว่ามันต้องทุกถ้าใจถึงถึงนะ อะไรก็ได้ครับคืออยากจะขอความเมตตานะครับวันนี้มีผมมีเพื่อนมาด้วยครับเพื่อนพอดีเพื่อนผมขี้อายครับขี้อายขี้อายอย่าส่งไมค์ให้เขาเคราะรับไม่ได้นะให้ฟังซีดีบ่อยๆไปฟังซีดีหลวงพ่อนาะฟังซีดีไปแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเองไปอย่างตอนนี้เราเขินเขินรู้สึกไหมใจเราเขินเขินขึ้นมานะเราก็รู้ทัน เราเป็นยังไงค่อยรู้ไปเรื่อยๆเอาคุณหนึ่งช่วงเมื่อวานนะคะคือส่วนใหญ่จิตมันจะว่างๆไปแล้วสักพักมันก็ไหวหๆขึ้นมาแบบว่างๆแล้วก็สลับไปขนนี้ล่ะตอนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแร้วค่ะตอนนี้เป็นยังไงมันจะจ้าๆแล้วก็มีตื่นได้แล้วรู้ไปอย่างงี้ก็รู้ไปอย่างงั้นเลยค่ะเขียส่งกันว่ามีปัญหาอะไรกาศครับหลวงพ่อ เฮ้ยชื่ออะไรนะ ก, ร ก, กักเขากั๊กไม่ใช่จิ๊กอ้าวว้ากไปก็คือว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาโล่โทสะกับราคามันแรงมากครับหลวงพ่อแล้วเราอาศัยแบบว่าแผ่เมตตาเป็นช่วงๆได้ไหมครับได้แต่ว่าทําไมโทสะแรงบางทีราคามันแรงก่อนโทสะนะใช่ครับพอราคามันแรงขึ้นมาแล้วเราเก็บกวดน่ะเราผมไว้โทสะมันก็แรงสิแต่ไปนี้พอมีราคาให้รู้ว่ามีราคาครับ เห็นสาวๆรู้ส <ๆ S 2> ึกสวยไปหมดเลยรู้สึกไหมตอนนี้จินมันเห็นสาวๆาวนะสวยไปหมดเลยก็ให้รู้ทันไปอย่าไปห้ามมันที่ทําผิดอยู่คือไปฝืนมันให้ปฏิเสธมันใช่ไหมครับเห็นหมาเห็นแมวตอนนี้สวยหมดละใช่ไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะะขอบคุณครับอย่าไปข่มคะมันให้รู้มันนะแต่เรารักษาศีลห้าเท่านั้นอ้าวไก่ นนกับนันทสการหลวงพ่อคะ่ะช่วงเช้าตอนแรกยังทื่อๆมัวๆอยู่นะคะแต่พอมามัววนๆรู้สึกมันอัพขึ้นมาออแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะลิ่งแต่นิ่งเนี่ยจะไม่ใช่นิ่งซื่อื่อะคะ่ะมันจะเป็นนิ่งรู้โล่งโปร่งเบา เ, ออเวลามีสภาวะเข้ามาเนี่ย เ, ออเราจะเหมือนชอยายฟ้าขนาดนี้เกินจริงนิดนึงดูออกไหมค่ะตั้งใจละค่ะที่ไก่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วดูไปเรื่อยๆช่วงนี้มันจะ วันนี้คะ่ะจะโมหะเยอะมากแล้วก็เห็นไม่ค่อยชัดแล้วก็ก่อนหน้านี้อยู่ดีก็โทรสะกระจายเห็นใครก็ขวางหูขวางตาหมดเลยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้มันจะมีที่เคยถามหลวงพ่อที่มองไปเป็นมัวนะคะทีนี้ช่วงนี้เนี่ยพอมันเดินเดินอยู่มันจะเห็นเหมือนเหมือนเนื้อมันจะหายหายก ล, กลืนไปแล้วก็จะเหลือแต่การรับรูปเป็นที่ๆอย่างนี้ดูอย่างนี้ได้หรือเปล่าพราะนั้นมันยอดมาดูแต่จิตอันเดียวแนละ้วมันทิ้งกายไปเวลาเดินถนนเอย่าแพิเป็นอย่างนั้นนะ เดี๋ยวมองไม่เห็นรถยนต์พยายามรู้สึกตัวให้มันชัดๆัดขึ้นถ้าอยู่กับโลกข้างนอกหมายถึงว่าให้ให้ให้รู้สึกถึงถึงอย่าให้กายหายไปใจมันน้อมเข้าไปภายในมากไปรู้สึกไหมมันจะเข้าไปข้างในแล้วมันจะไปซึมๆอยู่ข้างในเพราะงั้นพยายามเคลื่อนไหวให้กระฉับกระเฉงไวไปถอยไปข้างหลังคนหนึ่งนมัสการหลวงพ่อค่ะมี มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในชีวิตจิตก็บอกว่ามันทดสอบจิตตัวเองว่าสำคัญแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าไม่สำคัญอขอเมตตาหลวงพ่อชี้แนะค่ะอะไรๆก็ไม่สำคัญทั้งนั้นหรอกนะทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสำคัญหรือไม่สำคัญอยู่ที่เราให้ค่ามันเท่านั้นแหละนะทุกอย่างมันก็แค่ว่ามันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในชีวิตเราไม่มีอะไรคงที่เลยัวอย่างนี้นะดูไปมีแต่อนิจจัง แล้วก็ตอนนี้ไม่ทราบว่าติดลมหายใจอยู่หรือเปล่าคะ่ะติดอยู่มันเลยนิ่งๆ <Okay. S 2> ช่วยมันนิดนึงช่วยดูไปทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะอย่างเงี้ยความสุขความสงบก็ชั่วคราวอะไรอะไรก็ชั่วคราวดูอย่างนี้เรยช่วยมันนิดนึงจะได้ไม่ติดนิ่งน <Okay. S 2> ะเอาโอ้ โอรู้สึกว่ามันมันเหมือนมันมีแต่ความทุกข์มันเหมือนมันเหมือนทุกอย่างมันมารวมอยู่ที่ข้างในามากกว่าสิ่งข้างนอกโอเข้าไปข้างในามากเกินเข้ า, า, กกาไปมากไปปล่อยออกไปใช่กระจายความรู้สึกออกไปหน่อยนะอัดเข้ามามากไปให้มันสบายๆตอนนี้มันคล้ายๆเราวิ่งหนีเข้าป้อมมาแล้วรู้สึกค่าสึกร้อมไปหมดแล้วนะชื่น<ช>อ่านใจถึงๆนะอย่างนี้ทําเป็นไหมอ่ะ กุ้งคนสุดท้ายตอนนี้กังวลอยู่ค่ะหนีแม่มาวัดจะค่ะแม่โทรมาตามเหรอวันนี้ต้องได้เวลากลับแล้วมั้งก็ไม่มีอะไรสอยมันตื่นเต้น